ตอนอบรมคอร์สนาวามินระหว่างวันที่เก้าถึงสิบเอ็กันยายนสองพันห้า้อห้าสิบเก้าตอนที่เจ็ดขึ้นมาเกิดอีกครั้งซึ่งพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าหลังจากพุทธกาลไปห้าพันปีจิตดวงหนึ่งที่เรียกว่าใครจะมาเกิด น, นะมันจะเป็นรบรอบมันจะเป็นรบรอบของมัน น, ะนี่แหละวิชาที่สามคือพระองค์ไปเห็นต้นเหตทุที่เราสร้างกรรมนี่เพราะเรามีอาสวกิเล กิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาจะเกิดอุปทานนะอุปทานก็ทําให้เกิดทุกข์กับสุขเป็นสุขจอมปอมนั่นแหละพอได้ดั่งใจก็สุขพอไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์กิเลสพระองค์เลยไปนค้นพบวิชาว่าด้วยการกําจัดอาสะวะกิเลสคืออาสะวะขยะยานก็คือมักมิโอแม้ไม่ซับซอ้อนพอให้เราเข้าถึงก่อนเราถึงรู้มาดูคําสอนบุญเจ้าที่หลังเออไม่มีพูดซับซอ้อนแต่ตอนนี้มันซับซ้อนเพราะว่า ไม่เคยสัมผัสไปทําจริงเลยแล้วก็ไปตีความภาษาตัวนั้นเข้าข้างที่ตีมโะของตัวเองถึงทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้นะก็ชั่วโมงนี้เรามีโอกาสถอยมาอยู่กับตัวเองหยุดชีวิตซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งคิดตามสิ่งปุงแต่งตามโปรแกลงความรู้เราเนี่ยให้วางก่อนนะอย่ากลัวมันจะลืมนะมีฝรั่งคนนึ่งถามพ่อคูว่าพราครูสอนเวี่ยงทิ้งเหวียงทิ้งสักพักนึงผมจะจําแม่ก็ผมได้หรือเปล่า <laughs> คำว่าเหวี่ยนทิ้งหรือคำว่าวางเนี่ยไม่ได้แปลว่ า, วาทิ้ง ว, นะวางความยึดมั่นถือมันนะวางความยึดมั่นถือมั่นเราก็ทําหน้าที่เราต่อไปนะเอาละชั่วโมงนี้เรามาเซิร์ชเข้าไปหาตัวเองและเราจะเห็นด้วยเมื่อเราไม่เห็นดูตัวเองเราจะเห็นตัวเองได้ยังไงตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นเป็นพ่อเธอเป็นพ เ, เนพราะเธอเป็นพ่อเธอว่าฉันฉันจึงทุกข์ไงมิจติว่าคนอื่นนะเขามีปากเขาก็ด่าเราเขามีสิทธิ์ด่า แต่เรามีหูเราก็ได้ยินเรามีสิทธิ์ไม่เอามาคิดฮะเราโง่เองเรามาคิดเราก็ทุกข์เองนะเราไปโทษคนอื่นอีกไม่เคยเห็นตัวเองว่าตัวเองโง่นะเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยเราจะหายโง่นะโอเคนะพร้อมแล้วยืนขึ้นครับมือสองข้างเอาไว้ข้างตัวนะอย่าไปเกอะมันไว้ชีวิตเราเคยชินนะเราต้องเกาะ อ, อะไรหน่อยรู้สึก รู้สึกปลอดภัยยังมีการกระทําเกิดขึ้นตอนนี้เราฝึกวางทั้งหมดวางกระทําทั้งหมดการยืนนี่เป็นอิริยาเป็นอริยบทไม่เรื่องด้วยเจตนาใดๆทั้งนั้นถ้ากรรมชี้เจตนาถ้ามีเจตนาอยากยืนเพื่อให้มันสงบอยากยืนเพื่อจะได้นโน่นนี่แล้มีวัตถุประสงค์แล้วมันไม่บริสุทธิ์นนะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ การทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความรุดพทนในขณะนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนยืนเฉยๆเฉยๆไปว่าอย่างเดียวถ้ายืนด้วยกำหนดด้วยพิจนารณาด้วยคิดด้วยนึกด้วยอันนี้มันหลายอย่างมันไม่เฉยมันแฝงด้วยความอยากอยากรู้เราจึงคิดนะไม่ใช่หน้าที่ตามธรรมชาติ หน้าที่ตามธรรมชาติถึงเวลากินเราก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาทํา ง, งานเราก็ทํา ง, งานใช่ไหมถึงเวลายืนก็ยืนถึงเวลาเดินก็เดินเวลานั่งก็นั่งเวลานอนก็นอนนั่คือธรรมะคือหน้าที่หน้าที่าทตามธรรมชาติแต่ชีวิตเราทําตามสิ่งปรุงแต่งทําตามกิเลสมันไม่ใช่หน้าที่ตามธรรมชาติอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยผลของมันคือเราทุกแน่นอนนะ เราก็ฝึกเราถอยลงมาเป็นธรรมชาติมาทําหน้าที่ตามธรรมชาติง่ายที่สุดง่ายจนไม่ต้องคิดไม่ต้องทําอะไรโดยเจตนาไม่ต้องรุนนะเพราะไม่มีเป้าปรนะสงค์ทํำหน้าที่อยู่กับปัจจุบันทุกอย่างปัญญาต้องเกิดจากประสบการณ์จริงของเราปนะัญญาไม่ได้ไปวรู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรก็ไม่ใช่แต่ทีนี้ เราเผือไปปรุงแต่งเราไงชีวิตเราเนี่ยจิตเราถูกปรุงแต่งแล้วมันมีโปรแกรมความรู้ถูกบ้างผิดบ้างนะผสมกันเต็มไปหมดเลยสับสนวุ่นวายแล้วก็แยกไม่บอกว่าอะไรคือความจริงแท้นะความจริงแท้มันมีรยู่แล้วตามธรรมชาติกี่ล้านปีก็เปลี่ยนไม่ได้เราละบายสีขาวมันก็เป็นสีขาวละบายสีดําก็เป็นสีดำเราทําดีมันก็ดีทําชั่วมันก็ชั่วนะไม่ใช่ทําเพื่อให้มันได้ดี หรือได้ชวนไม่มีวัตถุประสงค์ไ ม, ม่ต้องการได้นะเรากลับมาทําหน้าที่ตามธรรมชาติไม่ใช่ช่วงฝึกสมถะกรรมฐานนะทุกคนเคยไปฝึกสมาธิสติแล้วเราจะคุ้นเคยว่าต้องกําหนดถ้าไม่กําหนดแล้วมันคิดฟุ้งซ่านมันวุ่นวายมากนะเอออันนั้นพอเรากําหนดแล้วกดมันไว้มันก็สงบชัว่วครู่เพราเราวางความคิดมันก็ว่างชัว่วกราวแต่มันไม่ใช่เกิดความว่างจริงๆนะเกิดจากเราไปฝืนมัน พอเราเลือกกดปุ๊บก็วีดอีกเพราะไอ้เชื้อไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่ตอนนี้เรามายืนอยู่เฉยๆเราจะค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นต้นเหตุไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปคิดเพิ่มเติมคิดเพิ่มเติมก็ปุงแตกเองนะที่เราเห็นอารมณ์นะั้นเป็นความจริงอย่างยิง่ง น, นั่นคือวิปัสสนาแต่ถ้าเผลอปุ๊บไปคิดเพิ่มเติมแม้แต่น้อยปุ๊บกลายเป็นวิปัสสนึกแล้ว นะกลายเป็นสิ่งปรุงแต่งนะคิดปุ๊บกาไปเข้าทางกิเลสไปเล่นเกมกิเลสความคิดเป็นกิเลสนะแล้วไม่ได้สู้กับใครนะไม่ได้เตือนมาสู้กับใครนะมาทำหน้าที่เราเฉยเฉยกิเลสมันจะแย้งนะยืนอเฉยเฉยจะเกิดปัญญาได้ยังไงนะเสียเวลาเปล่านะมันจะแย้งเรานะเพราะกิเลสมันไม่ชอบกิเลสเขากลัวมาก เขาตัวว่าเราจะมายืนอยู่เฉยๆ เ, เดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเหมือนน้ํามันนิ่งนะ้นํำธรรมชาติของมันไม่ต้องฝึกสมาธินะไม่มีอะไรรบกวนมันมันนิ่งอยู่แล้วนะแต่มนุษย์เราเอาเรือหายามาวิ่งบงังโยนหินไปใส่มันบงังอะไรมันก็เลยก็เพื่อหมดมันก็ไม่นิ่งถ้าน้ํามันนิ่งอยู่เนี่ยนะแค่อยู่เฉยๆ เ, เนี่ยฝุน่นละอองเม็ดนิดนิ ด, น, ดนิดเดียว ตาเนื้อมองไม่เห็นเลยเห็นล่วงลงมาใส่ผิวน้ํามันก็สัมผัสได้เห็นไหมนั่นคือวิปัสนาใบไม้ล่วงลงมามันก็สัมผัสได้นั่นใหญ่แล้วก็เห็นแจ้งเห็นความจริงว่าอะไรมากระทบเราแต่ถ้าเราคิดปุ๊บว่าอะไรปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความจริงแล้ะส่วนมากสัญชาตญาณของกิเลสเราจะคิดตามความเชื่อคิดตามข้อมูลความรู้ที่เราฝังอยู่ในนั้ น, น, นมันจะไม่จริง มันจะปุงแต่งความจริงนั้นกลายเป็นความรู้ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่พิจารณาไม่ตัดสินไม่มีการกระทำอะไรเกิดขึ้นไม่มีความอยากรู้อยากเห็นกิเลสมันอยากอยู่แล้วถ้าเราไม่สารวมระวังเนี่ยเราจะเพลอไปทำตามกิเลสรู้เฉยๆนะ มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่มายืนเฉยเยนั่งเฉยๆนอนเฉยๆแต่กลายเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะความเคยชินของกิตเลียดเราเขาจะไม่ชอบเขาจะสร้างอารมณ์เบื่ออารมณ์เซงเมื่อยเหนื่อยนะมาครอบงับสติเราทุกคนมีสติอยู่แล้วเต็มเปียกนะคำว่าเต็มเปียกก็คือเท่าที่มีนั่นแหละแต่มันเต็มร้อยถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่เก็คงไม่ได้มาเกิดอีกเนาะ เรามาต่อยอดนะต่อยอดอินทรีย์พระลาเราทุกคนมีศรัทธาเบื้องต้นแล้วถึงเสียสละเวลามาแสวงหาแสวงหาแนวไหนก็ชั่งแนวต่างๆเป็นแค่อุบายวิธีเฉยๆวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีคนทําดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทํามันไม่ดีเป้าหมายในการทําดีแค่ไหนก็ไม่ดีนะถ้าวิธีการมันไม่ดี ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาตอนนี้เราถอยชีวิตเรามาทําอะไรที่เป็นธรรมดาและมีหน้าที่ยืนเราก็ยืนแต่เนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นเรามันไม่ชอบมันก็จะอยากคิดไปเผลอปุ๊บมันก็คิดพอเราเผลอปุ๊บคิดเราก็ดึงกลับมาที่เก่ามาอยู่ที่ตั้งมันสงบนี่เป็นหนึ่งเดียวกับการยืน เมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติมันก็ตื่นรู้ตามธรรมชาติมันอยู่ด้วยกันนั่นแหะสติเป็นกำลังของสมาธิมาทําหน้าที่ระวังเฝ้ามองเฝ้ามองแบบธรรมชาติงงกว้างอารมณ์คล้ายๆเวลาเราขี่จักรยานเห็นไหมขาก็มีหน้าที่ขี่ไปมือก็จับเหยนไหตาก็มองข้างหน้าหูก็ได้ยินเสียงทั่วพืน้นทั่วอะไรเนี่ยเสียงรถเสียงลามาเราก็ได้ยิน สติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งหมดไม่ใช่ไปรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งตอนที่รู้ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นอุปายวิธีในการฝึกสมาธิเจริญสติเท่านั้นเองตอนนี้เป็นช่วงเดินทางของจิตเรียกว่ามรรคจิต เ, เราต้องใช้สมาธิใช้สติปัญญาอิทธรพละที่เรามีทั้งหมดเป็นเครื่องมือเดินทางของเรา ใช้สมัยที่มาทำหน้าที่ตั้งมัน่นจะมาที่ต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับการยืนเดี๋ย ว, ยวสติมันก็ตื่นรู้เองรู้ก็สัตย์แตว่ตว่ารู้ได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินพรกูพูดอะไรไม่ใช่เราไม่ได้ยินได้ยินปุ๊บมันเหมือนภาษาพูดวอกมันเข้าใจก็จบอยู่แค่นั้นมันไม่เข้าใจก็จบอยู่แค่นั้นอย่าไปคิดเพิ่มเติม ดูแบบธรรมชาติเหมือนเราฝึกสมาธิสติเราเป็นนั่งอยู่ริมน้ํานะเราก็นั่งค่าขัาตมาหรือฆ่าอะไรเนี่ยนั่งสังเกตล้วก็มองเพ่งไปที่แม่น้าน้ำมันไหลแล้วก็เ อ, อมันไวเนอะไวเนอะแล้วก็คาดคะเนนว่ามันน่าจะกินห้าสิ บ, บ 50, คนนั้นก็คาดคะแนนหกสิบคนนี้สามสิบมันเป็นแค่ จินตนาการคาดคะนนเห็นระบองน้ำมันลอยขึ้นมาจากผิวน้ำล้วก็บอกมันเย็นโหเย็นนมันน่าจะสามองศาองศาเจ็องศ า, งศามันก็เป็นแค่จินตนาการถ้าเราจะรู้ความจริงคือเราโดดลงไปในน้ำโดดลงไปในน้ำน้ำาก็คือเราเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะ เราสัมผัสน้ำด้วยภาษาสัมผัส ด, ด้วยภาษานั้นเรารู้ว่ามันแรงมันเบาแค่ไหนก็รู้แค่นั้นมันเย็นมันร้อนก็รู้แบบนั้นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินไม่ต้องใช้อุบายเพื่อให้เราสงบสมาธิเป็นอุบายทําให้เราเกิดความสงบสูงสุดเป็นฌานสี่ก็อุเบคาได้ชั่วข่าวเป็นเอกรคตาลง แต่ถ้าจเจริญวิปัสนาแล้วเนี่ยข้าพิสุปัจจานาต้องไม่มีการกระทํางอะไรเกิดขึ้นถ้ายังมีการกําหนดการคิดการทําอะไรวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะกลายเป็นวิปัสสนึกมันนึกเขาจิตเรายังให้บริสุทธิ์มันก็นึกมันก็คิดตามทีเลียนเรา เ, เรองนะมันก็ปูงแต่งไปเรื่อยเ ร, ยเราจะไม่เข้าถึงความจริงแค่อยู่เฉย ความคิดเกิดขึ้นอย่าไปรังเกียจมันนะอย่าไปขยะขยะงความคิดมีประโยชน์ทำให้ทให้เราเห็นความคิดไงเห็นว่ามันคิดอย่าไปสนใจในเนื้อหาสาระของมันคิดอย่าไปคิดตามมันทามันเองเราคือจิตตัวรู้เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนถ้าเราไม่สนใจมันความคิดมันเกิดขึ้นมันก็ทั้งอยู่มันก็ดับไปเราลงมาใเหมือนกัน มันเกิดขึ้นได้อยู่ดับไปถ้าเราไม่สนใจแต่ถ้าเราสนใจปุ๊บมันไม่ดับลนะมันก็ปรุงไปยาวเลยบันทึกรัเล็กขอดบันทึกสัญญาใหม่นะยิ่งมาก็ยิ่งหาปุ๊เลยต้องมาเสียเวลาเวี่ยงทิ้งเหวี่ยทิ้งเปี่ยทิ้งตอนนี้ไม่ใช่เจริมสติตอนนี้ใช้สติใช้สมา เราเดินทางออกจากป่ามรรคจิตเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่สติสมาธินะเราต้องใช้เครื่องมือ37เ็ดประการที่เรียกว่าโพธิปักเจยธรรมามเ็ดประการกิเลสไม่ใช่สิ่งเลวร้ายกิเลสคือความเคยชินเรากินหวานบ่อยบ่อย เราก็ติดหวานเป็นกิเลสเราละเราก็อยากกินวานพออยากุก็เป็นปัญหาละมีเจตนาละบันทึกสัญญากลนะายเป็นวิบากกรรมเรากินข้าวก็เป็นกิเลสของเราเพราะหลักินขนมปังก็กิเลสของเขาถ้ากินข้าวเพราะกินข้าวกินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตัญหาแล้วเนี่ย รูปทานก็ไม่เกิดก็สั่งได้ว่ากินไม่ต้องระเกียรกิเลสถ้าม น, นุษย์เราฆ่ากิเลสทิ้งไปในโลกในจักาารวาลนี้หมดเป็นเรื่องใหญ่นะระบบเวียนว่ายตายเกิดล่มสลายบาปบุญคุโทษล่ ม, มนนสลายเลยนะถ้าม น, นุษย์เราไม่มีกิเลสภาภะหลานก็เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้พระเูเจ้าบอกให้เราดับที่ตัณหาทุกสมไทัยในโลกมา่า สมุทัยคือตัวตัญหาแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตัญหามันเนื่องด้วยกิเลสกิเลสทำให้เกิดตัญหาตัญหาทำให้เริดทานทีนี้วิธีจะดับตัญหาก็คือใช้สติปัญญาเราเนี่ยรู้เท่าทันกิเลสถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสตัญหาก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิด ถ้าทำได้แค่นั้นในเวลานั้นเราก็ไม่ถูกแต่ยังไม่ควรถูกเราก็ดับได้ชั่วคราวใช้ไหมสติมันดับได้ชั่วคราวแต่ถ้าปัญญาเรายังไม่เต็มเปี่ยมเราก็ใช้สติก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมใหม่แต่สุดท้ายต้นเหตุคือต้องเข้าถึงปัญญาถึงจะรู้เท่าทันอวิชชาปัญญาคือตัววิชา เมื่รู้เท่าธรรมะวิชาอาวิชาก็ถือว่าเป็นกิเลสนั่นแหละความรู้เราเราเป็นจิตมันก็กลายเป็นกิเลสของเราความรู้ถูกมันก็ถูกความรู้ผิดมันก็ผิดนะความรู้ถูกเราก็ทําดนะีความรู้ไม่ถูกไม่ถูกต้องเราก็ไปทําชั่วนะปัญญาสูงสุดรู้ว่าต้นเหตุคืออวิชาอาวิชามันสร้างอัปตาตัวตนขึ้นมาสร้างอัตปะขึ้นะมาเมื่อจิตมัน ม, ม, ม, มีปัญญาเต็มเปี่ยมมีอินทรีย์เพียงพอที่ว่ามันระเบิดระเบิดมันก็ระเบิดอัตตาตรงนั้นทิ้งอัตตาที่จิตมันไปหลงสร้างอัตตาขึ้นมากั้นบังอนัตตาทำให้เราเข้าไม่ถึงอนัตตามันก็ระเบิดอัตตาทิ้งเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากตาแน่ลมดจิตแต่ยังทำอย่างนั้นไม่ได้ เราก็ใช้อินทรีย์เพลังที่มีอยู่ปัญญาระดับปัญญามีอยู่สติที่มีอยู่สมาธิมีอยู่เนี่ยให้มารู้เท่าทันกินเลสนะไม่ใช่ไปคิดเอาเองนะเออนี่โลดมีอยู่แล้วนี่ผ่านมีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องคิดอะไรอะไรถ้าเตือนตัวเองว่าถ้าเราไม่คิดปุ๊บเวลานั้นเขาไม่สร้างมาโนกรรมเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็เสกเหมือนความว่างอย่างหนึ่งว่างจากความคิดเราก็ไม่ทูก เราก็ทำเท่าเท่ากับใครดูไหมเราก็ทำได้เท่ากับทาสานถ้าทำได้แค่นั้นเกิดไม่ทุกนะแต่ก็ชาตินี้ก็ไม่ได้กาไรอะไรเกิดมาใช้มีกรรมชาติเดียวต้องปฏิบัติแต่การปฏิบัติขั้บวนการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องไม่ต้องทำไรเลยปฏิบัติโดยดึงชีวิตตัวเองถอยมาอยู่กับทางมาจา มาทําหน้าที่โดยไม่พึ่งกิเลสและเราจะเห็นกิเลสเราชัดเราจะเห็นต้นต่อของความทุกข์เราจะเห็นที่มามันมีไวยรัสอะไรที่ทําให้เราไม่สมุบจิตมันเกิดปัญญาแล้วมันก็าจะดับที่ต้นเหตุของมันแต่ตอนนี้ชีวิตเราดับที่ปลายตลอดสตินี้ก็ยังเป็นปลาย น, นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใช่ เรามีสติอยู่แล้วใช้มันไม่ใช่มัวจะไปฝึกสติฝุกสติฝึกสตินะเข้าไปถึงปัญญาเนี่ยช่วงนั้นมีสติมันก็คุมได้เท่านั้นเองนะแต่อ้เชื้อไวรัสของเก่ามันก็ยังอยู่ถนะอยกลับมาก่อนพื้นฐานมาเซิร์ชอินไซต์ยูสเซลคือมาค้นหาตัวเองชีวิตข้างนอกเราเนี่ยลืมตาปื๊แล้วก็นั่งอยู่หน้าขอมเราก็เซิร์ชไปหา องความรู้ของคนอื่นส่งออกตลอดเวลานะครูบาอาจารย์ยุคเราเนี่ก็หลายท่านพูดเหมือนกันนะที่ผ่านมาปนะระวัติศาสตร์ไปทั้งน่นปัจจุบันรุ่นก่อนนน้นยุ่นลึกขึ้นไปอีกนะจิตส่งออกคือสมุทยัยสมุทัยคือตัวธนานะคือความอยากจิตเห็นจิตคือมันผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ้งแจ้งคือ นิโรดนีโรดก็คือนิพพานแต่ชีวิตเราเคยมานั่งเห็นจิตดูจิตไหมนะเราไม่ได้ไปดูคนอื่นเราไม่ได้เสิร์ชหาข้อมูลอย่างอื่นเพราะความอยากอยากรู้อยากเห็นเราก็เลยไม่มีเวลามานั่งดูตัวเองนะทีนี้คำว่าเห็นจิตเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งดูจิตอีกคำว่าเห็นปุ๊เราก็รู้ว่าให้ท่างนั่งเพ่งดูอะไรมาจะเห็นะบ้านหลังนี้สมมติว่าชื่อว่าจิต เราก็นั่งดูมันก็เป็นวิธีเจริญสตินอะไรนะดูมันก็เห็นเงาของมันนะเห็นอารมณ์อยากๆยาข้างนอกก็เป็นแค่เวทนาไปแอบส่องหน้าต่างดูก็ไปข้างใ น, นก็ยังเปื้อนเหมือนเกา่านะนั่งดูจิตนั้นร้อยปีมันก็ยังเปื้อนเหมือนเกา่าคําว่าเห็นจิตในที่นี้เห็นในที่นี้ในภาษาจิตเนี่ยคือต้องเปิดประตูเข้าไปในจิตในจิตไปสัมผัสมันสัมผัสอารมณ์อยู่ในบ้าน นะกายในกายเวทานาในเวนาจิตในจิตเข้าไปในจิตอิสระเสีกทำใรทำธรรมา ร, ร, รมนะั้นะที่บันทึกสัญญาฝังล่ากแลนะอจิตได้สํามึกเรานั่นแหละเราไปเรียนรู้กันตรงนั้นนั่นคือกล่องปัญญาอย่างยิ่งเป็นประสบการณ์จริงๆหลายภูมหลายชาติที่เราสะสมมานะเหมือเราเข้าไปในเว็บไซต์ของตัวเองนั่นแหละเนี่ยศาสตร์ที่วาลาัลลัคนชาได้ไม่ใช่เรื่องเหลีวไหล ไม่ใช่เรื่องสซยาส์เห็นไหมตอนนี้เราไปคอมพิวเตอร์เราจะรู้ดายาดูข้อมูลเก่านะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเก่าได้ไงไอนะ้คอมพิวเตอร์คนที่สร้างพวกนี้เนะี่ยเขาคงเรียนรู้เรื่องจิตปิญญาพอสมควรนะนี่คือหลักสติปัฏฐานสนะีเราต้องพัฒนาไปเป็นมหาสติปัฏฐาน คือรวมฐานทั้งสี่ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานทําให้เป็นอย่างเดียวนะมันจะกลายเป็นมหาสติประทานคือสติใหญ่สติไปว่าและลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมนะอนุสติเอามาใช้ในชีปัจจุบันแต่ถ้าไม่ถึงขั้นมหาสติมิสติใหญ่มันจะไม่มีกําลังและลึกรู้อดีตบาลานี มันไม่สามารถดึงอดีตบรลบมีมาต่ อ, อยอดได้นะฮะต้องพัฒนาไปสูม่มหาสติฐานนะไม่ใช่แยกส่วนทีละรั้นอยู่ในทานกายฐานเวทนาและเไปนั่งดูจิตนะคำว่าเห็นจิตภาษาเห็นไหมพอเราเห็นปุ๊บว่าไปเพ่งดูไงดูจิตดูจิตเหมืนอนเราไปนั่งดูแม่น้ำเลยล่ะมันไหลมาก็ไวัยหนอวัยหน อ, หนอก็ข้าขนกระเด็นมันจีนะันเราไม่ได้สัมผัสจิตเราต้องโดลงไปในน้า เป็นหนึ่งเดียวกับมันเป็นเอกค า, าตาลงนะพลังมันมากระทบภาษานั่นแหละเราเห็นแบบนั้นเห็นโดยสัมผัสจริงๆภาษาจึงบางครั้งมันหยากเกินไปที่พูดมาพุ๊บเราจะเข้าใจถูกเหมือนกันหมดแต่เราก็ใช้ภาษาเท่าที่เราเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเท่าที่พูดได้แต่สิ่งนั้นผู้เจ้าใช้ว่าสิ่งนั้นแสดงว่ามั น, ม, นมันไม่ใช่งามมาทำ แต่มันไม่ใช่รูปธรรมอย่างที่เราจะสามารถควบคุมกํหมาหนดถ่ายรูปมาได้นะแต่เราสามารถเข้าไปสัมผัสเขาได้ด้วยตัวเราเองสิ่งนั้นต้องเดินไปทางกลางๆเราจะเจอมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ำแต่ภาษาวิชาการเป็นของคู่ไม่ใช่รูปทุกยนให้นาำหมดนะ มันคิดแบบแยกขั้วไงจิตไม่เป็นกาางมันก็เลยเข้าไม่ถึงความจริง น, นั่นแหะถอยมาอยู่ที่บ้านทำอย่างนี้จริงแล้วเราทำทุกวันนะเราเดินไปทำงา น, นก็ทำเราไงเห็นไหมเราเข้าออห้องน้ำเราไปทำงานเนี้ก็คือทำแต่เราต้องมีสติอยู่กับมันปัจจุบันที่เราทำอะไรอยู่กับมันนั่นแหละคือปฏิบททัติธรรม โ ป, ปรแกรมนี้ในชีจริงเราเราก็ใช้มันตลอดไม่ใช่แค่ยี่บดสามยี่บดสนะทุกทุกอาลัยหมดทุกๆกิริยาจะเป็นนั่งเฉยเฉยหรือเคลื่อนไหวอะไรก็ชันและชีวิตส่วนมากมันก็เคลื่อนไหวกินข้าวถ้าไม่เคลื่อนไหว ม, มันก็ตักข้าวเ ข, ข้าปากก็ไม่ได้อีนะแต่ทุกๆขั้นตอนทุกๆกกิริยาของเราเนี่ยเราตื่นรู้ตลอดนั่นคือปฏิบัติธรรม มันคือการกระทำตามธรรมชาติไม่ได้นรวยกิเลสแต่พอเรามีเวลาอยู่คนเดียวหรือเข้ามาสถานธรรมต่างๆเราก็มาสามารถว่าเออเข้าไปข้างในด้วยนะเข้าไปเข้าไปในจิตในจิตดิเนะพราะเรามันมีเฉพาะฐานกายฐานเวทนานะนะเรามีฐานจิตเรามีฐานธรรมเราต้องเรียนรู้ทั้งสี่ฐานนี้ให้มันครบวง มหาเศริฐีประธานยิงจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาชีวิตรเราบางครั้งก็ต้องอยู่ในฐานกายบางครั้งเราไปฐานจิตได้ฐานธรรได้แต่ว่ากลางวันเราทํางานสน่วนมากเราอยู่ในฐานกายทางเวทนารู้เฉยๆได้ยินเสียงก็ได้ยินเฉยๆเฉยๆนีไม่ใช่ปฏิเสธแต่ไม่ต้องปรุงต่อ ได้ยินปุ๊มันเข้าใจก็คือเข้าใจไม่เข้าใจก็คือผ่านไปมันฝืนกิเลนนะนะกิเลนมันฝืนอยู่แล้วเพราะชีวิตเราถูกกิเลสสั่งการตลอดตอนนี้เราถอยมาทําหน้าที่ตามธรรมชาติกิเลสชอบไหมไม่ต้องสงสัยหรอกเขาไม่ชอบแ น, น้ๆนั่นแหลที่เขาไม่ชอบนะเราจะใช้เขานะ่ะ เป็นการเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสนาเราทีนี้คําว่าเจริญแล้วก็คุ้นเคยว่าต้องมีการกระทําเกิดขึ้นไงนต้องมีการกําหนดเอาจิตไว้ตรงไหนเห็นไหมภาษามันจะติดหวงเจริญต้องมีการก็กระทําโดยที่หยุดการกระทําไงเ น, นี่ยตอนนี้เรากำลังกระทำนะกระทําโดยมานั่งเฉยๆแล้วจะเกิดปัญญาได้ยางไรเห็นไหมกิเลสเราคุ้นเคยว่าต้องคิดสิ ต้องคิดวิเคราะห์สิอันนั้นสูงสุดเกินจิตต์มัจยปัญญาปัญญาเจอกเกิจากเกิดจากการจินตนาการเราเราแ้วเราแน่ใจในที่เราคิดมันถูกต้องสมมากคิดตามกิเลสดีนะสู่ต์มัจยปัญญาปัญญาเกิดจากเขาได้ยินบาครั้งฟังปุ๊ิ้งเลยนะก็ฟิ้งฉอดเดียวนะบางทีสิ่งที่เราเข้าใจปัญอา จ, จะเข้าใจผิดก็ได้ยกตัวอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงส่งเสริมเรื่อง ภาวนามาย่ยปัญญาปัญญาซึ่งเกิดจากเราเข้าถึงเองเราสัมผัสเองมันนั่งเฉยๆเราต้องเห็นอะไรมันไม่มีอะไรก็นั่นไงเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็ดีแล้วอยากมีเรื่องเหรอสมมติดนนีนะเห็นไหมจีเหรียญมันจะเคาะอ้างนะร้อนนักก็มักห่างว่าเย็นนักก็มักห่างว่าวุ่นวายนักก็มักห่างว่า เงียบนะก็มักอ้างว่าเนี่ยไหมเงียบเกินไปก็หมกเงียบเหงาเงียบเนงาแล้วก็ว่าวิ่งอริยบทนอนหรือท่านอนเนี่ยเป็นท่าที่ง่ายที่สุดถ้าเปรียบเทบพุทุกท่านายืนเดินนั่งหรือวิ่งหรือเต้นนี่ลึกๆสังฆะแตยาเรายังต้องควบคุมเพราะว่าเรากลัวมันจะลง ส่วนท่านอนเนี่ยนอกจากไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่มีการกระทาใดๆแล้วเนี่ยยังไม่ต้องประคองตัวน้ำหนักตัวเนี่ยเทลงไปที่พื้นทั้งหมดเป็นท่าที่อิสระที่สุดง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ยากที่สุดความคุ้นเคยของจิเรศเขาจะคุ้นเคยว่าเป็นท่านอนหลับ นิวร์ตัวง่วงเหงาเหานอนมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรมันอิสระมากแต่เผลง่ายถ้าเคยอุกจะถูกขลขุ่นคองน้ำใส่ทีจากท่านอนถ้าไม่สมบูรณ์ระวังมันจะพัฒนาไปสู่ท่าจากท่านอนเฉยเฉยจะพัฒนาไปสู่ท่านอนหลับนอนหลับก็ม่ได้เสียายอะไรนะเราก็ได้พักผ่อนแต่เราก็พลาดโอกาสในการ ค้นหาตัวเองชีวิตเราเนี่ยถึงเวลานอนเราก็นอนถึงเวลากินก็กินแต่ถ้าไม่ใช่เวลานอนเรานอนเพราะเราเผลอเพราะกิเลสมันไม่ใช่หน้าที่ตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เวลากินเราก็กินอยู่นั่นแหละเพราะมันอร่อยอันนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่อันนั้นก็เป็นกิเลสนะ เมื่อเราเดินทวนกระแสะกิเลสเราต้องมีศรัทธากับสิ่งที่เราทําถ้าศรัทธาไม่ตั้งมั่นเนี่ยทุกคนแพ้กิเลสหมดกิเลสเขารู้ดีว่าเราชอบอะไรเรากลัวอะไรเขารู้หมดเขาจะแปลงางมาในหลายรูปแบบเขาเนียนมากแต่อย่าไปรังเกียจเขานะถ้าไม่มีกิเลสเราก็ไม่มีเหมือนเราเป็นนักมวยเขาไม่มีคู่ซ้อมนั่นแหละ นะเราจะแข่งแก่งได้ยังไงนอะกน้องถมตนเรียนรู้กับกิเลสไม่ต้องตั้งประเด็นไปหลังเกียร์เขานะรู้เท่าทันเขาเท่า น, นั้นเองรู้กนะ็รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปคิดเพิ่มเติมมันไม่ง่ายนะเพราะกิียสเราไม่ยอมหรอกมันพยายามจะสร้างความคิดมาสร้างเราลงมาหลังข้อมำลังเราดึงให้เราไปคิดกับมันไปเล่นเกมมันแล้ว เราจะไม่เห็นมันถ้าเรานอนอยู่เฉยๆได้คําว่าเฉยๆนะคือนอนอย่างเดียวได้ไม่กระทั่งความคิดมันเกิดขึ้นแต่เราเฉยเราไมันไปคิดตามมันนะถ้าเราทําได้นะกูเบิกขาบาลมีก็เกิดขึ้นเห็นไหมมันเบื่อหน่ายจากความเบื่อนั้นมันทําอะไรไม่ได้ถ้าเราเฉยได้เนี่ยขันติบาลามีก็เกิด แน่นอนเรานอนอยู่ในห้องนี้เราไม่ได้ไปตีหัวใครไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่อโกจรนี่คำพับา ร, รมีก็เกิดขึ้นไหมไม่ต้องทำอะไรแค่เฉยเฉยเนี่ยบา ร, รมีทั้งสี่ทัอยู่อยางนี้หมดเลยนะไม่ได้ไปทําบุญทําทานเกิดทานบา ร, รมีได้เกิดขึ้นได้อย่างไงเราให้โอกาสตัวเองได้พักรกไงได้หยุดสร้างกรรมทั้งปวงร่างกายก็ได้พักด้วยนี่ย นะให้ทานตัวเองแล้วกิเลสมันรบควรเรามากเลยถ้าเราเฉยได้นะเรากให้อภัยทานกิเลสอีกแต่ทุกวันนี้เราหมดหงิดเพราะเราไม่ยอมเราอยากสงบมันทําให้เราไม่สงบเห็นไหมเราก็ให้ทานมันไม่ได้แค่นอนอยู่เฉยเฉยเนี่ยได้สร้างบา ร, รมีเต็มเลยนะแต่ถ้าเรานอนหลับปุ๊บเห็นเหมือนคนไม่มีสตินะนั้นก็ได้แค่พักผ่อนอย่างเดียวนะแถม ไปเพิ่มกิเลสตัวขี้เกียจให้เขาแข็งแรงอีกถ้าคนคนหนึ่ง บางทีนอนเฉยๆมันบุญจิตขึ้นมาโดยไม่รู้เหตุผลเอ้าเราเห็นขี้อย่างหนึ่งแล้วขี้มูกจิตนะภาษาไทยใช้คำว่าขี้เนี่ยหมายถึงสีปฏิกูลส่วนเกินและส่วนมากมูลสัตว์มูลคนอะไรเนี่ยมั น, ม, นมีกลิ่นราบอกว่าจริงๆแล้วน้ำหอมเพอร์ฟูมที่แพงที่สุดในโลกมันทำมาจากดูดลคนนะคื อ, อขี้ เราเป็นความรู้สึกว่าเป็นสิ่งทิ่ติดลบแล้วเรานอนเฉยๆเราเห็นว่าในตัวเรามีขี้อะไรบ้างเรามีขี้ลบไหมขี้โกรธไหมขี้หลงไหมที่อิจฉาขี้เสียขี้เกียดขี้ค้างขี้กังวลขี้ห่วงใจขี้สงสัยมีไหมถ้ามีแล้วทำไมเรามีขี้เยอะจังเลยเราเป็นคนดีได้ไหม ดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆทุกอย่างต้อเกิดจากความจำนานเกี่ยประสบการณ์ที่เราสัมผัสมันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะเหมือนจริงม็ดูดออมาจากข้อมูลเก่าที่มันหลงติดได้เราก็จะไม่หลงตัวเองว่าโอ้ยเรายังไม่บริสุทธ์พอที่จะไปว่าคนอื่นนี่คือปัญญาอย่างยิ่งเมื่อไม่ว่าคนอื่นปุ๊บเห็นไหมเราก็มาหยุดเราก็ได้หยุดสร้างครับ ธรรคือธรรมาชาติคือธรรมาดาธรรมาดาเราถอ้กลับมาทําตัวเป็นธรรมาดานะถึงเวลาทํางานก็ไปทํางานอย่างมีความสุขการทําทานก็เป็นธรรมดาเป็นหน้าที่ธรรมดาทุกคนต้องมีสองมายชีวานะก็ทําอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราทําเพราะต้องการเป้าประสงค์ทำเพราะความอยากปุ๊มันก็กังวลกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จ กลัวว่ามันจะไม่ได้ความกลัวทำให้เราเสือ่อมทำให้ชีวิตเรามันเสือ่อมมันเป็นกบเกินสติสมาธิปัญญาเราหมดเนี่ยเราถอ้มันจากชีวิตที่ตรุงแทพมาอยู่กับการทาหน้าที่ตามธรรมชาติธรรมดาก่อน อยู่ในฐานกายฐานเวทนานีก่อนแล้ว เ, เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถอยลึกเข้าไปข้างในอย่างก้าวหน้าต้องถอยหลังตอนนี้เราถอยเข้ามาอยู่ปัจจุบันก่อนอยู่ที่ฐานกายฐานเวทนาเอาฐานกายเอาฐานเวทนานี่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเราเรียนรู้โดยไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องไปคิดเพิ่มเติม ปริสนาจริงๆไม่ได้เกิดจากการนึกคิดมันต้อเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตเราเองเห็นในที่นี้ก็ไม่ใช่ไปนั้งดูมันคือสัมผัรอารมณ์นั้นรู้เท่าท่านอารมณ์ ท, าามที่มันเกิดขึ้นนอนเฉยๆหัวกเมื่อยเมื่อยถ้าเอาตามเหตุผลแบบตบกากะนี่เป็นไปได้ไหมเราไม่ได้บอกกาลังกายอะไรเดี๋ยวมันไมเมือ่อยเห็นไหมจริงๆแล้วความเมือ่อยมันฝังลากเล็กอยู่ข้างในแล้วชีวิตเราเมื่อยทั้งวัน แต่ถ้าจากความอยากเราเราก็กบเกิดเหมือนเื่อยก็ใช่บางทีเหงื่อไหลครย้อยมันก็มันคิดว่ามันเมื่ อ, อ ย, อยออแต่ว่าความอยากเราก็ ก, ก็ก็ไม่สนใจมาแ ต, ตนนเแา่เรานอนอยู่เฉยๆมันแสดงอาการเราเองนเราเห็นบ่อยๆแล้วเราจะสงสารตัวเองต่อไปเราก็หันกลับมาดูแลตัวเองทําอะไรก็ทํามันพอดีอย่าให้มันเกิดไป นอนเฉยๆเราจะเห็นนะมันหน้ามันนิ่งอารมณ์อะไรทุกอย่างมันกดขึ้นมาเราจะเห็นโดยการสัมผัสจริงสัมผัสอารมณ์นั้นมันเกิดมันก็ดับมาเลยอารมณ์ดีเหมือนกันมันก็เกิดมันก็ดับมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดมันก็ดับมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเก่าไม่มีอะไรอยู่โยงกับใคร เราไปฝึกเทคนิควิธีไหนไปชั่งวิธีฝึกจิตต่างๆนานาเรื่อทนะ้องใช้ทางกายนี่แหละเทวดาทําไม่ได้เพราะมันมีทางกายนะส่วนมากแล้วก็ฝึกเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญารู้อะไรหรอไม่ใช่รู้ศาสตร์โน้นรู้ศาสตร์นี้นะจริงแล้วเนี่ยวจิตเดิมเรามันฝึกมาทุกทุกฉากศาสตร์นั่นแนะ้ลแต่มันก็ไม่คนทุกเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องรู้นั้นะก็คือกฎเทวตัยลัก ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออันนี้จำทุกขังอนันตาคือมันไม่เที่ยงมันทุกขังพ้นมันกำรงอยู่ได้ยากมันไม่อยู่ยงคงกับพันมันเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะมันนี้ตัวเราก็มีอยู่แต่มันเป็นของชั่วข่าวมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนแต่ที่มันเกิดแน่นอนเพราะเราไปยึดมั่นถึงมันเรสางหน้าตาขึ้นมาก็เป็นหนูว่า เป็นตัวตนแน่นอนมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่ น, นถ้ามันไม่มีตัวตนอะไรเป็นตัวเกิดขึ้นมันนี้มันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ชั่วคราวมันก็สลายไปไงพวกภาษาการใช้ภาษานี่ถ้าเราไม่ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องมันหมิ่นหมิ่นต่อการเข้าใจผิดเมื่อนะเข้าใจผิดก็ปฏิบัติผิดไม่ใช่รู้กฎประไตรลักษณ์เฉยๆนะไอ้เด็กๆกัๆนรู้บาลพอ วันหนึ่งวันสองก็รู้แล้วแค่อธิจฐานทุกขังอนันตาสอบผุดผ่านหมไม่ใช่รู้แบบนั้นต้องเข้าถึงเข้าถึงจริงๆเลยว่ามันไม่เที่ยงเนาะมันไม่เที่ยงเนี่ยเกิดมาเป็นเบบีเป็นเด็กทารกเผลอปุ๊บเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ะเช้ละก็เปลี่ยนไปละเผลอปุ๊บขนขาวนะขนดำกลายเป็นผนขาวเออ หลังเหยื่อยนมาเป็นคนแก่และเผอปุ๊บถูกเผาแล้ะกลายเป็นอากาศท่าที่เหลือเป็นท่าหนีนะ้ให้เราเข้าถึงอารมณ์นั้นเข้าถึงของจริงว่าเออยอมรับไปดูสดีว่าเออมันเป็นมันไม่เที่ยงนะนะเดินมาอยู่ดีๆก็เกิดเหตุเพศภัยมาเห็นเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีเลยในะยาถามลกเกิดวิกฤตนะจริงๆแล้ววิกฤตนั้นเป็นโอกาส มันทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงมันเรารู้เราจะหลงะเริมนะติดสุขอยู่ตอนนั้นาตายเปล่านะตอนนั้นนะนะนนนะมันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมใชส้สตินะไม่ใช่มแติฝึกสตินะใชส้สติรู้เท่าทันอารมณ์ เราต้องรู้วิธีหยุดด้วยนะเพราะจิตวัญญาณเนี่ยยากที่จะหยั่งถึงนะผู้เจ้าตัวบอกใช้เวลาใช้ว่ามยากประมาณเราปฏิบัติที่บ้านอะไรทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเก่าบางทีเงื่อนไขเวลาเรามีจํากัดเราต้องรู้วิธีหยุดด้วยบางทีจิตมันแรงมากมันรอมาหลายชาติแล้วมันต้องการสักสารตัวเองเต็มที่ แต่นเนื่องจากเรามีเงื่อนไขเวลาก็ต้องอยู่เร ต, ต้องฝึกวิธีหยุดด้วยวิธีหยุดก็ง่ายๆก็ดึงตัวรู้เนี่ยมาเกาะที่ลมหายใจเข้าลึกๆนะเออเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเข้าไปลึกๆนะเออพอมันถึงหน้าท้องเราก็เห็นอะีรบทมันทองหน้าท้องมันพองเรากั้นลมหายใจไว้ก่อนนะเออเมื่อจะขาดใจเราก็ปล่อยออกมาชา้า ก็สัมผัสทารี่บทหน้าท้องว่ามันยุ่ไม่ใช่ท่องบนคำบิกรรมนะคือเรากดมันไว้เพื่อเราฝืนเอาลมนั้นบางทีจิตมันแรงมากมันไม่ยอมหยุดแล้วก็ชากดึงในตัวรู้นั่นคือจิตเราเนี่ยมาอยู่การลมหายใจถ้ามันยิ่งแรงแล้วยิ่งฝืนมันหน่อยหนึ่งนะแล้วปล่อยมาช้าที่สุดทํำไปเรื่อยๆสาสี่ครั้งมันก็หยุดได้นะแต่ที่บ้านไม่เข้าใจเกิดมันขึ้นแรงๆมาเดี๋ยวจับไปส่งไปโรงพยาบาลโรกจิตอันนี้ต้องรู้วิธีอยู่ด้วยนะนะ เนี่ยเราต้องพึ่งตเนเองเพราะจิตนี่เวลาเขาแรงเนี่ยนคะรับเขาฝึกมาหลายชาติแล้วเขาเดินทางมาหลายชาติแล้วนะที่เขาเกิดมาเพื่อจะปลดปล่อยตัวเองนะแต่บางครั้งนนเนื่องจากเงื่อนไขเวลาเราจํากัดเนี่ยเราต้องรู้วิวธีตหยุดเขาต้องควบคุมเขาได้อันะนี้ก็ต้องเดียวแล้วก็ช่วงเราทํางานเนี่ยโดนกระทบพุทธเนี่ยต้องใช่นะ เราเกิดกับเพื่อนร่วม ง, งานบางทีเผลอรกระทบนเนี่ยหายใจคนลึกๆเอาความรู้สึกเราอยู่อารมณ์ไว้กดมันไว้ก่อนนะกดมันไว้แล้วปล่อยช้าๆเนี่ยอารมณ์เมื่อกี้เราโกรธปุ๊เนี่ยมันจะค่อยๆถูกเจาะยางออกมาเมื่อมันสงบนิ่งแล้วตอนนั้นจะตัดสินใจอะไรค่อยตามอันนี้เอาไปใช้ชีวิตประจําวันนะต้องใช้ถ้ามันแรงมากในเข้าห้องน้ํำในที่สำนัก ง, งานอะไรก็ช่างสักหนึ่งนาทีนะถ้าเราียกว่าไปสงบสติอารมณ์วิธีสงบก็คือว่าดึงจิตเรามาที่ก่อนลมหายใจอย่าไปอยู่ที่ความคิด บางเรื่องต้องแก้ไขโดยที่อยู่เฉยๆบางเรื่องมันพูดด้วยเหตุผลยิ่งพูดก็ยิ่งมุ่นวายเพราะทุกคนมีเหตุผลนะแก้โดยนิ่งเฉยตามดึงทองพอมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวมก็ผ่านไปบางบางปัญหาเนี่แก้โดยไม่ต้องแก้ยิ่งแก้ยิ่งขัดแยง้งะเรายิ่งโมโหเขาก็โมโหตามคนใช่อารมณ์ใช้ยักษ์มาคุยกันนะไม่ใช่คนนะตอนนี้วิชาปลูกยักษ์นะคนคุยกันไม่รู้เรื่องมันปลูกยักษ์มาคุยกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะ เอาพระอริยนะายายยาามาคุยกันนะพระอยู่ในภูเขาจิตเนี่ยไปเอาพระมาคุยกันนะรู้เรื่องนี่มัเอายักษ์มาคุยกันจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่หรอกมิถึงต้องการพลังผู้ชชนะเขาแล้วก็เอายักษ์มาเขาก็มียักษ์ไงนะต่างคนต่าง ม, มียักษ์ก็ฟันกันแหลกเลยนะเนี่ยเพราะความอยากของเรานะนะ่ยพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งยักษ์อะไรที่ไหนหรอกนะจำไว้ว่าฝ่อใจหลิงซันพระอยู่ในภูเขาจิต เข้าไปหาพระของเราพระข อ, ของแต่ละท่านเนี่ยนะเราต้องผ่านอาจารย์ไม่เหมือนกันอย่าไปคั่วปี้กันครูบาอาจารย์เราที่แท้จริงอยู่ข้างในรอเราอยู่แล้วผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราฟังหูวไหว้หูก่อนวันที่ท่านเป่นออกมาร้อยนั่นเลยถ้าครูบาอาจารย์ที่แท้จริงจิตบริสุทธิ์เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วแต่ปัญญาเราไม่ถึงเราจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปปฏิบัติผิดอย่าเพิ่งเชื่อ อยาเ่เชื่อตำรานะเพราะตำราไม่รู้โหพศายาเห็นไหมมันยากนะถ้าไปเซ็นะเรียนไปเรียนเซ็นเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดนะกูบาอาจารย์บานก็ตีหัวเลยนะตีหัวก็เป็นทั้งคิดว่าเฮ้ hey, ตีเราทำไมเพราะว่าเราศรัทธาครูบาอาจารย์เราไม่ได้คิดในทางลกถ้าเราไม่ศรัทธาไปน้อยใจน้อยใจน้อยใจแล้วมันจะเป็นไหนล่ะก็อยู่ที่ใจเหไหม คือบางครั้งเนี่ยมันสอนด้วยพูดปุ๊บหนึ่งไม่ใช่มันจะเข้าใจนะเห็นไหมหลวงพ่อชาเรามีประสบการณ์เนี่ยอาจารย์ชยาสาโรเนี่ยตอนนี้อยู่บากช่องเห็นภาพฝลังนงะท่านอยู่กับหลวงพ่อชาถึงคิวที่ท่านนวดหลวงพ่อโอ้ก็อิมยิ้มย่องเลยมีมวากิต ด, ดิมากเลยท่านถีบเลยถีบ น, น้อยใจเอ๊ะนวดให้ยังมาถีบฉันอยู่ ทีนี้หลวงพ่อรู้เวลานั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านถามคนนี้ถามคนนี้พอถึงอาจารย์เฉยดข้ามเลยน้อยใจอีกน้อยใจอีกแต่ท่านไม่หนีไงท่านสัทธาสุดท้ายท่านก็ผ่านเรื่องจิตเป็นเส้นเนี่ยภาษาจริงๆเรียกว่าฉานก็คือชานเราดีเป็นเรื่องจิตวิญญาณด้วนๆบางทีมันพูดด้วยภาษายิงพูดยิงเรอเลย ภาษาเราใช้ได้แค่เข้าๆยุคนี้พว ก, กูต้องใช้บ้างเพราะว่าคนเราทุกคนนี้ต้องการเหตุผลแบบตักกลับเออถ้าพูดแล้วพอจับใจความได้พอมีเพราะมีเหตุผลชัดถึงยอมปฏิบัติไงแต่เรื่องนั้นนะ่พยายามหลีกเลี่ยงอย่าใช้ภาษาอธิบายให้เขาไปเห็นเองเรื่องกฎแห่งกรรมเหมือนกันแนวเราจะเห็นกรรมชัดถ้าไม่ศรัทธาปุ๊บมันถอยหมดเรามีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ย เราต้องผ่านมันให้ได้ทั้งสองอย่างบางทีเขามีความสุขมีความสุขบางทีก็ทุกข์มากทุกทุกทุกทุเบือบ่อเบือ่อจนไม่ปฏิบัติด้วยความเบื่อ น, นั้นคือนิพพานลไม่คือผลของวิปัสสนามันมีประโยชน์นะแต่ถ้าเราหลงมันเมื่อไหร่กลายเป็นโทษมหาเลยไม่ใช่วางนาทีเลยความเบื่อ น, นั้นทําให้เราจางคายความยึดเพื่อั่นถือมันจางคายความที่เราหลงอยู่เห็นไหมมันมีประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างที่มีประโยชน์มันมีโทษในตัวมันเองเหมือนหนทางมี้วิปัสนาเข้าไปในธรรมวิปัสนาเราอย่าชะล่าใจเราปลอดภัยนะในเส้นทางวิปัสนานั้นมีพิปัสนูกิเลสซ่อนอยู่ด้วยเอาถ้ามันไม่มีเราจะวัดจับอะไรนะเราจะเอาอะไรมาเป็นผูบาอาจารย์เรามันเป็นของคู่ตลอดนะมีสิ่งเดียวเท่านั้นอยู่ในโลกในจักรวาลนี้ที่ไม่มีของคู่ก็คือนิพพานนั่นแหละเขารอเราอยู่ ทุกคนมีสิทธิ์ไปถึงตรงนั้นอยู่ที่ว่าความมุ่งมั่นความศรัทธาเราจะแค่ไหนไเดินป่าเหนื่อยไม่เอาดีกว่า mm. เดินไปเมื่อไหร่ก็เจอของเกา่าเมื่อไหร่ก็ไม่ถึง mm. ก็นอนรอเสือมันมา ก, กินเ mm. บื่อก็เดินอยากก็เดินไม่อยากก็เดินเดินสถานเดียวแล้วก็ไม่ใช่เดินนึนระหว่างทางให้ย mm. hey, มันเสียงน้ําตกนี่วะไปดูก่อนไปติดใจน้าตก ก็ไปใช้ชีวิตจุดตรงนั้นนะหลายชาติแล้วนะเป็นแบบนี้นะอุ้ยดอกไม้นี่มันสวยเว้ยไปวิจัยมันก่อนดนะอกไม้หลิมทางเลยไม่มุ่งมั่นเดินกิเลสมันมีหน้าที่หลอกเราตลอดเวลานะแต่อย่าไปรังเกยียจเขานะถ้าไม่มีกิเลสเราก็ไม่รู้จะฝึกกับใครนะต้องนอมน้องถ่อมตนนะเรียนรูนะ้กับกิเลสกิเลสคือความเคยชิน เขาไม่ไเลวร้ายอะไรหรอกแต่ที่เขาเลวร้ายเพราะเขาเราหลงเขาเมื่อไหร่พอโลกกดหลงปุ๊บอันนี้เราสร้างขึ้นมาเองนะเดี๋ยวมันก็จะเล่นงานหรอกนัก็ชาวนี้เราก็มาได้ริลรถทําอะไรที่ไม่ต้องทําชีวิตเราต้องตลอดต้องตลอดต้องตลอดเรียนก็ต้องต้องต้องลูกเล่นต้องขยันต้องอะไรต้องให้รู้มากๆนะต้องต้องอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกนะแล้วก็ทําไป แต่ในแง่ชีวิตเราต้องรู้นะถ้าเราต้องบ่อยๆนี่เครียดมากเลยเรากลับมาทำอะไรที่ไม่ต้องทำไม่ต้องกำหนดไม่ต้องอะไรไม่ต้องอยากรู้อะไรเลยกำลังถอยเข้ามาทำบ่อยๆครับอยู่ที่บ้านทำบ่อยๆและจิตมันจะก้าวหน้าเองความก้าวหน้าคือความถอยหลังถอยจากต้องตๆโดยทำอะไรที่ไม่ต้องแค่นอนอยู่เฉยเฉยไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องไปเดินเรียงคิวทำพิซซา เดินเดียคิวขึ้นเครื่องบินนะไม่ต้องเสียสตางค์ได้พาพผ่อนเต็มทีนี่แหละความสุขที่บางคนบอกความสุขสร้างได้นะความสุขที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนละนี่ไม่ใช่สุขแท้แน่นอนเป็นความสุขซึ่งไม่ต้องสร้างมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแค่มันไม่ทุกข์เท่านั้นเองนั่นแหละ ความสุขซึ่งไม่ต้องสร้างแค่มานอนอยู่เฉยๆแค่อยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆได้นเนี่ยอาการกังวลความทุกข์ร้อนความอะไรก็ไม่มี น, นั่นแหละคือความสุขมันเป็นของคู่แต่ถ้าสุขซึ่งเราสร้างมันจะมีทุกสร้างมาเกือบตายเธอไปแย่งของฉันไปเราละทุกข์แล้วเห็นอันนั้นเป็นสุขสุขดิบ อันนั้นคุณความสุขซึ่งเกิดจากการสร้างสร้างอุบายกตีก้ไปเที่ยวเต่ไปฟังเพลงเพรา่อะที่บอกดนตรีบังบัดเนี่ยมันดีระดับหนึ่งนะเหมือนยาพารานะเอ๊ะของพรอครูดนตรีบังบัดหรือเปล่าไ ม, ไม่ใช่เราใช้จังหวะดนตรีเนะี่ยเป็นเครื่องมือทําให้เรารู้เท่าทันมั น, นดนตรีบังบ่ายเขต้องฟังเพลงพ่อๆเพลง น, นะเคิร์ฟกลังเคิร์อยู่พอมีคนมากวนเราพุกวีนีว e. ีนี e. นะ มันไม่เหมือนกันนะแต่ภาษาเรียกก็เรียกเออก็เรียกว่าดนตรีมันก็บบัลไในชั่วข่าวมันไม่ใช่รักษาแบบต้นเหตุของมันนะเราไม่ได้ฟังเพลงนะฟังเพลงนี่ผิดศีลเราจะหลงมันนานๆไปล้วจิตเราไม่แข็งแรงเลยเรามีความสุขเกิดจากการเราได้ชอบได้ยินเพลงที่เราชอบอันนี้ยากพลาเราฟังเสียง ร, รูปรถ กลินเสียงสัมผัสสัมผัสคือสัมผัสทางกายเนี่ยเย็นร้อนนอนแข็งนะอันนี้สัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์ที่ใจเสียงนี่ก็เป็นอยนายตนะส่วนถ้าเรารู้เท่าทันอยนายตนะปุ๊นี่ขันห้าปูงแต่งไม่ได้รูปเกิดมันก็ดับเราเห็นรูป ก, ก็สั่งแต่ว่าเห็นได้ยินก็สั่งแต่ว่าได้ยินจบรูปเกิดก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุงต่อไม่ได้ขันห้าปุงไม่ได้ ปติสมบูรบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัตฏสงสารหยุดอิจฉนะคือทั้งหมดขันห้ายังต้องอาศัยอิจฉนะปงแต่งนะถ้าเรารู้เท่าทันอิจฉนะสัตว์แต่่วารู้ส่วนพ่อกูไปในเมืองเยี่ยมกะเรมิตรเราเข า, าเออพราครูเชินทานข้าวที่บ้านเขากําลังทานอยู่เออพราครูมันเค็มไหมไม่รู้จะรู้มันทาไมนี่แหละคนเราชอบสแสวงหาความหมายอยู่เรื่อยเห็นไหม ถ้าเคมเกินไปก็มีเรื่องถ้าไม่เข็มจืดเกินไปก็มีเรื่องอยูเห็นไหมก็สักแต่ว่ากินไงบางทีถามพ่อครูพ่อครกูกินข้าวอย่างกินข้าว ก, กินอะไรไม่รู้ไม่รู้จะไปดูมันทําไมเห็นไหมเราสแสวงหาความหมายตลอดถ้าความหมายนั้นถูกใจพวกเรารู้สึกดีถ้าไปเจอสิ่งไม่ถูกใจก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยี่มนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวที่สแสวงหาความหมาย แต่ในขเดีวกันต้องไม่ต้องเสียใจนะก็เพราะมนุษย์เราสิ่งเดียวที่สแสวงหาความหมายถ้าเราตั้งความหมายถูกเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกได้เรามีของคู่เหมือนกันเรามีสิ่งที่สุดยอดในวงการสัตท์เราสูงสุดแต่เราก็มีสิ่งที่เลวที่สุดเห็นไหมเพราะเราสแสวงหาความหมายถ้าความหมายเราผิดบึ้บไปเลยไปในทางต่ำ เนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐเพราะการเกิดนะประเสริฐเพราะว่าเราพัฒนาได้ตอนนี้เราพัฒนาในเด็กวอร์ลดมินพัฒนาทั้งโลกพัฒนาอะไรพัฒนากิเลไปทั้งโลกเลยทำลายล้างโลกใบนี้ไม่มีวกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีเจาะขึ้นมันวันหนึ่งหลายล้านาバレลเลยมันก็เป็นโผงสิมันก็ไม่สมดุล เมือเรามีบ้านแล้วเนี่ยแล้วก็พี่จอจอ่จอจอ่จอจ่บาดานขึ้นมามันก็โตร เ, เพราะมันเร็วขึ้นมาเนีมันปรับสมดุลไม่ทนันไงเพราะเราตั้งความหมายผิดความหมายคือว่าต้องมีเงินเยอะๆ GDP ทุกหนึ่ง GDP มันเกิดจากการทำลายสัมาสิ่งแวดล้อมนะมาแรกเป็น GDP เมื่อเราฉลาดแต่กลายเป็นว่าเราทำอะไรโง่ๆล่ะเห็นไหมที่พกูพูดทุกๆเรื่องไม่มีแม้แต่หนึ่งเรงไม่ใช่ธรรมะนะ นะพราะกูไม่พูดภาษาพระเพรากูพูดภาษาธรรมภาษาธรรมดาธรรมดามันต้องแปลมันเองเป็นไทยมันต้องแปลไทยเป็นไทยภาษาธรรมนะภาษาธรรมดาสมัยพุทธกาลสมัยก่อนหน้านี้ก็กพูดภาษาธรรมในเวลานั้นเพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเห็น ไ, ไหมรับพูดภาษาธรรมดาในเวลานี้ อะไรที่ทำให้มนุษย์ทุกวันนี้เราทุกใช่ไหแล้วก็เอาสิ่งที่มันระต่อหน้าเรามาพูดกันไม่ใช่ไปพูดประชาวิษาการอย่างนี้แล้วก็มาตีความทะเลาะกันไม่มีเรื่องก็เอาภาษามาตั้งโจทย์พวกเธอบอกว่ามันแปลว่าอะไรนี่ผ่านไปว่าอัตตานัาตาแบบนี้นะนั่นคือวิชาความรู้เราเป็นแบบนี้มันเป็นวิชาการมันไม่ใช่ธรรมะนะธรรมะไม่มีธรรมะ ไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหะคือธรรมะเข้าใจไหมไม่เข้าใจกเลยแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วมันจะมีธรรมะได้อย่างไรมันมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีของเธอของฉันมีศาสนาฉันมีศาสนาเธอมันจึงไม่ใช่ธรรมะอย่างเรามองไปทังนอกใดใบเขียวเขียวอะไรที่ต้นนี้เราได้ว่าต้นไม้ต้นไม้จริงเหร ทำไมฝรั่งเรียกว่าท r e e ทำไมคนจีนเรียกว่าสู้แลต้นไม้มันอยู่แล้วนานปีไหมไม่เอาหลักมันเป็นต้นไม้ชื่อสมมุติชั่วข่าวเห็นไหมจริงๆนั้นมันไม่มีชื่อนะแต่มนุษย์ไปตั้งความหมายมันตั้งชื่อให้มันเราจริงๆเกิดมาแล้วไม่มีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อเป็นบัญชาแล้วก็ไปหลงชื่อนี้แล้วไปหลงสิ่งสมมุติไเราถึงเข้าไม่ถึงสัจชธรรมเราเข้าไม่ถึงความจริง ถ้าความจริงแท้แล้วเนี่ยอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้อีกกี่ล้านปีเหมือนเก่าเรายกมันก็หนักเหมือนเก่าเราวางมันก็เบาเหมือนเก่าเห็นไหมอันนี้คือสัจธรรมการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาฮิมาลัยธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาแต่ธรรมชาติ มันมีหลายระดับอย่างสวรรค์ก็มีหลายระดับอย่างมีระดับเดรลฉานะระดับเปรตสุลกายระดับมนุษย์เห็นไหมระดับอริยะอริยะมันก็มีหลายระดับก็เป็นธรรมะหมดแต่ธรรมะมันมีหลายระดับแค่นั้นเองแล้วมันมีหลายมิติเห็นไหมแต่ตอนนี้แค่ธรรมะธรรมชาติเองเนี่ยเราก็ยังทําไม่ได้เลย แต่เราไปเรียนวิชาปุงแต่งอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อชีวิตเราวิชาสร้างฐานะวิชาสร้างวัตถุเห็นไหมถ้าพ่อคูเลือกได้นะระหว่างกรุงเทพตอนนี้กับย้อนหลังไปเมื่อสามสี่สิปีก่อนย้อนหลังไปสู่อดีตดีกว่าบนภาวะก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมพ่อกรูเคยนั่งคนรุ่นใหม่นี้ไม่เคยนั่งหรอกรถลังกกังกงกังกังอะไรวิ่งเะีรยน่ะ โอ้นั่งสบายมากเลยไม่ต้องมีแอร์ด้วยไม่มีหมดภาวะเนาะแต่ยุคนี้นเป็นยุคที่มันมันยังดีกว่า น, นี้อีกนะทั้ง น, นี้จเจริญไงนะพวกครูอยู่ในป่าแล้วจะกลับไปอเมริกาอยู่ในป่าใันยีน่สปีพอวันแรกออกมาบอกแก้วแก้ ว, กวไปกรุงเทพมาพาพวกครูไปทำอะไรที่ไปดูอะไรที่มันใหม่อ่นะรถไฟรอยฟ้ารถไฟใต้ดิน่คนที่เดินน้าก็บ่นอยู่คนเดียว บางที่ไอ้คือมันก็ล้องเพลงอยู่คนเดียวพกูก็มองให้ทุกคนมันเป็นหมดพวกูแก่แก้มันเป็นอะไรแอ่แก้มหัวรอกมันพูดโทรศัพท์เลยนะพอขึ้นไปนั่งรถตายเด็กมึงไปั่งกดกดกดกดกดกดนะมาด้วยกันไม่ได้คุยกันนะมงก็กดอะไรก็ไม่รู้นะนี่คือความเจริญเกลายเป็นหุ่นยนต์มันกันหมดเลยเห็นไหมถ้าพวกคูพูดมาก็บอกพวกคูนีดเตียวพวกคูมาแล้วตอนนั้นปีนั้นไปเบิกเงินธนาคารอยู่ที่อำเภอวังหลินนะ เพราะูเบิกเงนไม่ได้มคนก็นั่งรออยู่ทไมไม่ได้เนีขาเพิ่งเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่คอมพิวเตอร์มันดาวผู้จัดการก็มานั่งคุยกับคกูเขาเหงื่อคอมพิวเตอร์ใหญ่เพรากูก็พูดเรื่อยๆพรากูแต่งแบบนี้นะเขาคงคิดออกมาจากป่าเลยเหมือนพ่อคูเนี่ยเป็นคนไม่ทันสมัยพ่อครูบอกถ้าเลือกได้พ่อคูไม่อยากให้มนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์แต่มันเลือกไม่ได้อย่างนี้พูดเลื่อยๆพฤติการบ์งนี้อะไรไม่ดีเหรอกันยังไงผมเบิกเงินไม่ได้ไง สมัย่อไฟดับยังเบิกได้เลยนั่นมันดีไหมละ่ะทุกคนเป็นห้ยอยหมดแล้วถามผู้จัดการเวลาตอนนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ผู้จัดการทํางานมากี่โมงเขาบอกแปดโมงเปิดแปดโมงครึ่งหถ้าจากมีคอมพิวเตอร์แล้วไดีกลับบ้านกี่โมงห้าโมงทำไมไม่ทำงานครึ่งวันหรืเมื่อคอมพิวเตอร์มันดีไงมันเร็วกว่าเก่าใช่ไหมอันนี้สมัยก่อนเรียนจบมาถามว่าพิมพ์ดีเป็นไห ม, ไหมต้องถามว่าคอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่า เราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดำรงชีวิตถามว่ามันดีจริงหรือเปล่าแกก็ตอบไปได้แต่เขาไม่ฟังหรอกเขากำลังเหื่อคอมพิวเตอร์อยู่พราะครูเนี่ยเป็นคนในกลุ่มแรกๆผลิตคอมพิวเตอร์ของเราเองขายไปทั่วโลกแต่ตอนนี้พ่อครูใช้ไม่เป็นแต่ไม่ได้บังคับทุกคนไม่ใช้แต่ต้องใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันได้อย่าใช้ให้มันเสียนะถ้าใช้แล้วไปทุกข์กับมันเนี่ยเราเสียชีวิตละ ถ้าทำแล้วได้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะมีความสุขนั้นใช้มันเถอะนะมาใหม่ๆเพียวเลยนะเพราะกูไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะไปอยู่บ้านนอกตัว น, นั้นเพราะกูอบรมชาวบ้านนะนะชุมชนถ้าไม่มีสถานที่เอนเตอร์เทนนะผู้หญิงก็ไปเล่นไพ่ผู้ชายก็กินเหล้าเขามีแค่นั้นถ้าไม่รู้จะไปไปปลดปล่อยที่ไหนพรากูอบรมนะก็ต้องอบรมแบบไหน่ พวกชายชะกันเกพราะกูบอกกินเหล้าได้ก็ต้องกินนะถ้าไม่กินเนี่ยโง่แต่ถ้ากินเหล้าแล้วมันไม่ได้แล้วมันเสียด้วยไปกินอย่างนั่งเขางงอ่ะเกิดอะไรขึ้นยังมีคนหนึ่งเขา ก, กูก็ใช้อุบายสร้างงานอย่างนั้นเออแล้วทำไล่แหลทองอเป็นกเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจเขาก็มาทำงานได้เงินออกมาเดินมาถึงสี่แยก ร้านคาเล็กๆเราเรียกว่าเซเว่นไนท์มู่าเพื่อนก็เรียกให้มานี่ปุ๊บอ้าวสั่งมาขวดหนึ่งเหล้าขาวเนาะพอติดลงปุ๊บหนึ่งขวดหนึ่งมีเงินจ่ายนะพอติดลงอีกขวดหนึ่งปุ๊บแ ป, ป๊กพงไว้พอกลับไปเดินเซ่ๆไปเมียถามหาเงินตอบเลยมึงอย่าเก่งนะเห็นไหมอันนี้กินเหล้าแล้วมันได้หรือมันเสีย เฮ้ยอย่ามายุ่งเงินกูกูไม่ได้ไปเบียดเบียนใครคุณก็ลังเบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนลูกเมียอยู่มันไม่รู้นะพอจับมัาเยียดเบียนปุ๊บมันวูบแตกวูแตกมันกินเล่าไม่ได้เลยไม่ต้องมีรายได้เพิ่มน่ะได้เงินปุ๊บวิ่งเดินมาเนี่ยเพื่อนเรียกมาบอกเฮ้ยกูปวดท้องนี่กลับบ้านก่อนเอาเงินให้เมียปุ๊บฉันรักเธอเธอรักฉันไม่ต้องมีรายได้เพิ่มเห็ไมเพิ่มรายได้โดยการลดหลายใจ แต่ละกินเหล้าได้ต้องกินอย่างพวกผู้เคยมาแล้วนะ่ะโอเคเราเรียกประชุมกันหลายบริษัทระดับโลกเนะอาวายหัวหนึ่งเป็นแสนก็เอามาเปิดเทปนิดนึงถือจิบกังกันกันสัญญาปุ๊บทุกคนได้ผลประโยชน์คนละร้อยล้านพันล้านอันนั้นกินเหล้าแล้วมันอะไมันกินเถอะกินแค่เป็นกระใสแต่จะไปกินเอาเป็นเอาตายเนี่ยเผาผานตับไตไส้ทุง่งทั้งหมดเนี่ยนะอันนั้นกินเหล้าแล้วมันเสีย อย่าไปติดมากมายนะอุ้ยผู้เจ้าบอกไม่ให้กินเหล้าผู้จ้าไม่ได้ห้ามนะพระองค์พรองค์บอกให้ละเว้นละเว้นการฆ่าสัตว์ละเว้นการดืร่มเหล้าของเมานะเดี๋ยวร้อยทั้งร้อยไปกินปุ๊บมันก็เมาขาดสตินะแล้วก็ไปตีลูกตีเมียแล้วก็ไม่มีครบชู้สู่สาวอะไรก็วุ่นวายไปหมดมันขาดสติแต่อหัหันจีคงเนี่ยยิ่งเมายิ่งหยาดรู้เกิดนะอย่าไปเรียนแบบนลย น, นะทําไมคนจีนเขาไหว้ใครพกตรงกลางไหว้พุทธเจ้า ซ้ายมือไหว้พระโพธิสัตว์คนอิ่มถือสิ่งกินเจขวามือไหว้ที้เหล้ากินเนื้อสัตว์อะไรอันที่โกงมันเป็นแค่รูปแบบแต่จี้โกงเนี่ยยิ่งมองสมองซีกซ้ายให้มันเมาเท่าไหร่เนี่ยยาดูยังเกิดขึ้นตอนนี้เราเข้าไปในจิตไม่ได้เพราะไอความคิดเนี่ยมันดึงเอาไว้แต่ของเราไม่ต้องพึ่งเหล้านะเราเบี่ยงให้มันเมาพู๊เดี๋ยมันก็เข้าไปไดนะ้ถึงว่าช่วงต่อไปถ้าเกิดการเบี่ยงเบียงแรงเล ย, เลย นะไม่ต้องพึ่งเล่านะทำให้สมองตัวนี้เนี่ยมันไม่มีพลังจิตก็เกิดอย่างรู้โอเคนะบางทีเขาตื่นอะไรล่ะโอ้ตอนนี้ไปเลยจิตในจิตเราไม่ต้องพักใช่ไหมโอเคเข้าห้องน้ำทับเดียว